ในการเจริญวิปั ส, สนาตามประเพณีปฏิบัติซึ่งได้วางกันไว้เป็นแบบแผนดังบรรยายไว้ในชั้นอัตถกถาท่านถือหมวดธรรมคือวิสุทธิเจ็ดที่แสดงไว้ในรัฐวินีตสูตรมัชฌิมานิกายมุลปันนาตเป็นแม่บทเอาลำดับญาณที่แสดงไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามักเป็นมาตรฐานและยึดวิธีจำแนกปรากฏการโดยนามรูปเป็นข้อพิจารณาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการนี้ท่านได้จัดวางข้อปฏิบัติคือการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นระบบที่มีขั้นตอนแน่นอนต่อเนื่องเป็นลําดับและพิธีคิด3แบบที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านก็นําไปจัดเข้าเป็นขั้นตอนอยู่ในลําดับด้วยโดยจัดให้เป็นวิธีคิดวิธีพิจารณาที่ต่อเนื่องเป็นชุดเดียวกันแต่ลําดับของท่านนั้นไม่ตรงกับลําดับข้อในที่นี้ทีเดียวนักกล่าวคือลําดับที่หนึ่ง ใช้วิธีคิดแบบแยกแยะหรือวิเคราะห์องค์ประกอบตรงกับวิธีคิดแบบโยนิสโสมนัสิการวิธีที่สองกำหนดแยกปรากฏการตา์ต่างๆเป็นนามธรรมกับรูปธรรมว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามจาพวกรูปมีอะไรบ้างจำพวกนามมีอะไรบ้างมีลักษณะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรอย่างไรเรียกว่าขั้นนามรูปปริเคราะห์บ้างนามรูปวัฏฐานบ้าง นามรูปปริเฉดบ้างหรือสังขารปริเฉดบ้างและจัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิคือเป็นวิสุทธิที่สามอย่างไรก็ตามความประสงค์ของท่านมุ่งเน้นให้กำหนดจับและรู้จักสภาวะหรือองค์ประกอบตามที่พบเห็นตามที่เป็นอยู่ว่ า, ยนนาอย่างไหนเป็นนามอย่างไหนเป็นรูปมากกว่าจะมุ่งเน้นในแง่ของการพยายามแจกแจงลำดับที่สอง ใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยตรงกับวิธีคิดแบบโยนิโส ม, มานักสิการวิธีที่หนึ่งพิจารณาค้นหาเหตุปัจจัยของนามและรูปนั้นในแง่ต่างๆเช่นพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุขบาทพิจารณาตามแนวอวิชชาตัญหาอุปาทานกรรมและอาหารพิจารณาตามแนวกระบวนการรับรู้เช่นจักกุบิญญาณอาศัยจักขุกับปรูปารมเป็นต้น พิจารณาตามแนวกรรมวัตวิปากวัตรเป็นต้นแต่รวมความแล้วก็อยู่ในขอบเขตของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเป็นแต่แยกบางแง่ออกไปเน้นพิเศษขั้นนี้เรียกว่านามะรูปะ ป, ปัจจยปริกหะหรือนามะรูปะปัจจัยปริกหะหรือเรียกสั้นๆว่าปัจจัยปริกหะหรือปัจจัยปริเคราะห์เมื่อทำสำเร็จ เกิดความรู้เข้าใจก็เป็นธรรมติติยานหรือยะถาภูตยานหรือสัมมาทัสนะจัดเป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิคือเป็นวิสุทธิที่4ลํลำดับที่สใช้วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาหรือวิธีคิดโดยสามัญญลักษ์ตรงกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนัสิกานวิธีที่สานำเอานามรูป หรือสังขารนั้นมาพิจารณาตามหลักแห่งกติธรรมดาของไตรลักษณ์ให้เห็นภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่เป็นอนิจจังถูกปัจจัยขัดแย้งบีบคั้นเป็นทุกข์ไม่มีไม่เป็นโดยตัวของมันเองใครๆเข้ายึดถือเป็นเจ้าของครอบครองบังคับด้วยความอยากไม่ได้เป็นอนัตตาขั้นนี้เรียกว่าสัมมนญาณเป็นตอนเบื้องต้นของ มัคคามัคคะยานทัศนวิสุทธิคือเป็นวิสุทธิข้อที่5